ในานามคณะสงฆ์ที่มาวันนี้หลวงพ่อเองก็ไม่เคยคาดคิดว่าจะได้มาสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยแต่พอทราบว่าคุณวสินนิบอนก็หลวงพ่อก็คุณวสินเป็นผู้ที่รู้จักมักคุ้นรู้จักในานามของลูกศิษย์ขององค์หลวงตามหาบัวหลวงพ่อก็เออ น่าจะไปรู้จักรู้จักมรคุณก็ได้ไปได้หลวงพ่อก็ก็บอกให้พันธ์ท่านพระที่ติดตามบอกว่ารับรับรับนิมนต์แต่ทลวงพ่อลงมาคราว น, นี้ก็ลงมากิจธุระหลายหายอย่างตั้งมาทั้งตรวจสุขภาพของตัวเองด้วยด้วย แต่หลวงพ่อนานๆานจะได้ลงมากรุงเทพทีนึงครั้งล่าสุดก็ลงมาเมื่อวันที่เจดมกราคมครั้งล่าสุดแต่ลงมาอีกคราวนี้ก็ลงมาดูตรวจเมื่อเมื่อวานนีก็ตรวจทั้งเลือดที่กินรลาดและก็ตรวจตาด้วยที่รามาสรุปแล้วก็คือนํารถเข้ามาเข้า อ, อนานานๆจะได้ลงมาทีหนึง่ง พอว่าหลวงพ่อเองก็สรุปแล้วก็คือไม่อยากจะเข้ามาสู่บ้านเมืองสู่ความเจริญเท่าไรเพราะมันสบายยะใครสบายยะเราหูดง่ายๆสบายบะยะก็เป็นที่สบายใครเป็นที่สบายเราถ้าคนอยู่ในเมืองก็เป็นที่สบายอยู่ในเมืองแต่สำหรับหลวงพ่อเองอยู่ในป่าดงพงไฟก็สบายอยู่ในป่าดงพงไฟนั้นก็ได้อยู่ทางนู้น แต่วันนี้พอได้มาเห็นสำนักงานเรือเป็นสมาคฟมพุทธสมาคมพุทธนะชมรมพุทธนะพพุทธศาสตร์วันนี้ก็รู้สึกว่าเป็นที่ปลื้มใจแต่ตามไม่จริงพวกเราเป็นพุทธศาสนิกนชนนับถือพระพุทธศาสนามาจากมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายหลวงพ่อว่าน่าจะศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนา แต่หลวงพ่อก็เคยพูดในสถานที่ต่างๆว่าเรื่องพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยที่พวกเรามองไม่เห็นคุณค่าในี่ตามไม่จริงเพราะพระพุทธศาสนานี้เหมือนกับเพชรนินกินดาแต่หุ้มเรียบเดือกตมหุ้มเรียบเดือกตมเพราะนั้นถ้าคนไม่ใช้ปัญญามาคัดมาล้างจริงๆก็จะไม่เห็นคุณค่า ถ้าหาว่าเรามาคัดมาล้างจริงๆเราจะเห็นคุณค่านี้คือเพชรเนีย น, จ, นยจริงๆคือหลักของพุทธศาสนาเนศาสนาเหตุผลพูดอย่างนั้นได้ไม่ใช่ศาสนาความเชื่อศาสนาสอนให้มีเหตุมีผลเพราะอันนี้เพราะอะไรอันนี้เพราะอะไรถามได้ซักไซ้์ได้ซักไซายเรียงถามได้แบบคำนี้คืออะไรเรื่องนี้คืออะไรอันนี้คือหลักของพุทธศาสนา แต่หลวงพ่อเองเห็นว่าเออเมืองไทยของเราเนี่ยอแอบรู้สึกว่าห่างเหินพุทธศาสนาเนี่ยก็เพราะว่าพวกประเทศไทยของเรายากจนส่วนหนึ่งพอเด็กตัวเล็กขึ้นมาพ่อแม่มีอันจะกินอพ่อแม่รวยกระส่งเข้าโรงเรียนฝรัง่งพอส่งโรงเรียนฝรัง่งพิจิตถถึงมัธยม จากนันก็เข้าโรงเรียน เ, เขาเข้ามาหาวิทยาลายัยก็หาเหนินพุทธศาสนาไ ป, ไปโดยลยําดับลําดับจากนั้นก็ส่งไปต่างประเทศพอไปต่างประเทศก็ไปรับวัฒนธรรมของต่างชาติเต็มตัวอีกพอกลับมาเมืองไทยก็ดูถูกเรื่องขอพุทธศาสนาแต่ทั้งที่เราไม่ได้ศึกษาเรื่องพุทธศาสนานี่คือเป็นมาอย่างไรเพราะนั้นในกลุ่มนี้ชนชั้นปัญญาชนในชาติเนี่ย จึงห่างเหินจากลักของพุทธศาสนาห่างออกไปเพราะไม่ได้ค้นคว้าไม่ได้ศึกษาที่แท้จริงนี่แหละเออีนคือจุดนี้คือจุดหนึ่งที่เอออัตมาภาพได้พบกับท่านหนึ่งเออท่านด็อกเตอร์เออท่านจบมาจากอเมริกาสมัยรุ่นเก่าท่านบอกว่าท่านเออผมเนี่ย เป็นประธานบริษัทในประเทศไทยนี่หลายหลายแห่งเวลาผมจะทานอาหารกับด็อกเตอร์ต่างๆชั้นปัญญาชนเขาบอตั้งแต่ปริญญาโทที่จบมาจากเมืองนอกหรือ ว, วหน้าบริษัททางร้านใหญ่ๆผมจะนั่งหัวโต๊ะแล้วก็นั่งทานอาหารผมจะถามว่าผมจะถามความเป็นจริงในใจของพวกคุณนะพวกคุณจะตอบผม่วยอย่างไห ให้ตอบตามความเป็นจริงเลยเอา่าแล้วก็ผมจะได้ได้ข้อมูลอา่าเพราะนั้นผมจะถามเลยนะคุณเชื่อไหมว่าตายแล้วเกิดไม่ครับไม่เชื่อถามเป็นรายๆายรายา ย, ายบุคคลไปแต่ผมมาสรุปได้ว่าในกลุ่มของผมที่ถามในในขณะที่ประชุมก็ดีทานอาหารก็ดีในที่ประชุมนั่นก็ดีผมสรุปได้ว่า คนที่ตายและศูนย์อะประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นตะชั้นปัญญาชนนะนักเตอร์นะตั้งหลายนะเออแล้วก็คนที่เชื่อว่าไม่มั่นใจเออไม่มั่นใจนี่ประมาณสักห้าหกเปอร์เซ็นแค่พวกที่เชื่อว่าเกิดแน่ตายและเกิดแน่ผมเชื่อในผมเองผมเชื่อในประสบการณ์ผมเอง อันนี้เพียงสามสามหรือสี่เปอร์เซ็นต์นะท่านนะอันนี้ท่านจะหาวิธีการอย่างไรที่จะพูดให้พี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมชาวพุทธทั้งหลายให้เข้าใจว่าตายและเกิดยังไงตายและสูญยังไงอันไหนเกิดอันไหนตายให้ท่านกดควรจะเอาพุทธศาสนาเนี่ยทำทำคาสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยออกมาประกาศเผยเผยแพร่ให้แก่ สัตยาญาติโยมลูกหลานให้เข้าใจทำไมคงจะห่างเหินไปเรื่อยๆตามที่ผมดูแต่สำหรับผมเองเนี่ยผมเชื่อร้อยทั้งร้อยมีกี่เปอร์เซ็นต์ผมเชื่อทั้งหมดต่อพระพุทธศาสนาตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนแต่ตายแล้วไม่สูญเพราะสิ่งพิสูจน์ผมได้นั่งภาวนาผมพอนั่งภาวนาจิตสงบแล้วผมรู้ได้ด้วยตนเองว่ากายกับใจเนี่ยเป็นคนละอันกัน เหมือนกับรถกับคนขับรถอย่างนั้นน่ะร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจของเหมือนกับคนขับรถแต่อยู่ในที่เดียวกันอยู่ในตัวของเราแต่ถ้าหากว่าจิตไม่สงบจะไม่รู้แต่นี้ผมรู้ผมมั่นใจว่าเเรื่องกายกับใจเนี่ยเป็นข้อละอันกันคือร่างกายของเราร่างกายของเราเหมือนกับรถถ้ารถ มันหมดน้ำมันรถมันหมดสภาพรถมันเสียรถมันเสียใจมหมรถมันไม่เสียใจมันก็จอดทิ้งเฉยๆแต่โซเฟอร์รถเนี่ยเดินรอบแล้วรอบอีกมองแล้วมองอีกดูแล้วดูอีกดูรถของตัวเองเสียใจในรถของตัวเองที่มันมันเป็นอะไรที่มันเสียไปแหมทำไมทามันจึงเดินไม่ได้ทำไมจึงไปไม่ได้ทาไมมันจึงไม่ไม่เดินนี่แหละ ถ้าหากว่าผู้ที่ทำกิตใจให้สงบจะรู้ได้อย่างนี้อันนี้คือท่านท่านท่านให้แนวความคิดหลวงพ่อเองกับได้แนวความคิดจุดนี้หลวงพ่อจึงได้พูดใน m p มสามากมายและหลายอย่างว่าพระพุทธศาสนาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทำไมพระพุทธเจ้านีออกไปบวชไปอยู่ในป่าดงพงไพไปค้นคว้าศึกษาอยู่ เป็นเวลาถึงหปีแต่วันสูตรสาเร็จได้ ว, วันได้สาเร็จได้ตัดวันที่ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ น, นั้นแ่ะวันเดือนหกเพนนนะั่นท่านตัดสรู้อะไรในวันนั้นท่านทำยังไงเพราะฉะนั้นจุดนี้พวกเราที่เป็นชาวพุทธน่าศึกษาน่าติดตามไม่เมื่อติดตามแล้วก็ไม่ใช่ติดตามเฉยเฉนะก็ต้องนามาปฏิบัติ ด้วยเพราะหลักของพรทธศาสนาพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าทำคำสอนของเราในระดับหลักของพุทธศาสนาเนี่ยมีแต่ศึกษาเรียนรู้เฉยๆยังไม่เพียงพอการเรียนรู้เหมือนกับเราดูแผนที่ยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าอยากจะให้รู้ได้ต้องผู้ปฏิบัติเท่านั้นจึงจะรู้ได้ในวิธีการปฏิบัติทำอย่างไร ที่พระพุทธเจ้าพาดำเนินพระองค์บอกว่าในคืนวันนั้นวันเดือนหกเพนนนั่นน่พระ อ, องค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงพระอาทิตย์ยังไม่อัดสดงยังไม่ตกดินในวันนั้นในพุทธประวัติจากนั้นก็พระ อ, องค์กระทำนั่งภาวนาทำจิตใจให้สงบจิตใจรวมสงบลงเป็นหนพอรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วพระ อ, องค์น้อมจิต ล้ำลึกถึงผลหลังคือชาติขนหลังชาติที่แล้วท่านจึงได้ตัดเป็นพระบาลีขึ้นมาว่าปุบเพรในวาสานุสติญาะ ล, ลึกชาติขนหลังได้แต่ถ้าหากว่าเกิดมาชาติเดียวพระ อ, องค์คงระลึกชาติขนหลังไม่ได้อย่างพวกเราเกิดมาวันนี้วันเดียวเราจะระลึกถึงเมื่อวานนี้ได้อย่างไรเพราะว่าเมื่อวานไม่มีเมื่อวานในพระองค์บอกว่าปุบเพรในวาสานุสติญาระ ล, ลึกชาติขนหลังได้นี่แหละหลักของคนศาสนา พวกเราให้ให้ฟังถึงจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ต้องฟังแล้วก็ให้ทำจิตใจให้สงบอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพาดำเนินพอจิตพระจิตพระองค์เข้าสู่ความสงบแลลึกชานทุนดัหลังได้พอถึงเที่ยงคืนพระองค์พอดูพระองค์แล้วจต่นี้ดูคนอื่นดดูวิญญาณอื่นดูคนอื่นดูสรรพสัตว์ทั้งหลายอัน จุตูปะปาะะตะยาการจุติของสรรพสัตว์เมื่อดูสรรพสัตว์แล้วพระองค์ก็รู้เลยว่าทำไมสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่คนเราเกิดมาทำไมไม่เหมือนกันทำไมโง่ทำไมฉลาดทำไมพิกองพิการทำไมรวยทำไมจนทำไมคนเกิดมาจงไม่เหมือนกันพระองค์ก็จ้อนดูอีกว่าที่มันเป็นอย่างนี้เพราะอะไร เพราะกรรมคือการการะทําชาติที่แล้วเขาทํากรรมไม่ดีเอาไว้เกิดมาชาตินี้เขาจึงเป็นอย่างนี้กรรมตัวไหนที่ให้ผลในชาตินี้ชาตินี้คนเขาใช้ทำไมาตาบอดทําไมเขาจึงโง่ในชาติชาติที่แล้วเขาทําอะไรอันนี้ดอสไปหาถึงบุพกรรมในอดีตกรรมคือการกระทําเหมือนกับเมื่อวานวันก่อนเราขี้เกียจหาเงินแต่วันนี้เราไม่มีอันไม่มีข้าวกินลักษณะอย่างเงี้ยนะ เอพอพราะเหตุไรเพราะเมื่อวานเราขี้เกียจท้าเงิน เ, เราไม่ได้เก็บพร้อมรอมฤติเอาไว้มาวันนี้เราจะเราจะรวยได้ยังไงแต่คนที่รวยเพราะอะไรเพราะชาติที่แล้วเมื่อวานนี้เขาขยันท้าเงินหาทรัพย์เขาตั้งตัวมาเขาเก็บทรัพย์มามาชักวันนี้เขารวยเขามีเงินมีอันตรีกินเนีสรุปแรก็คือหลักของพุทธศาสนาเนี่ยคือว่ากรรมคือการกระทําทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วถ้าตัวเองทําชั่วแล้วจะได้ดีได้อย่างไร ถ้าหาว่าตัวเองทำดีแล้วจะชั่วได้ยังไงแต่เมื่อวันเมื่อวานเราขยันท้าเงินเอาเมื่อหาเงินได้แล้วมาวันนี้เราก็ต้องรวยแต่ถ้าว่าเราเคียเกียร์ท้าเงินมาโดยลำดับวันนี้เราจะพโผล่ขึ้นมาเราจะรวยรวยได้ยังไงนี่แหละคือหลักของพระศาสนาเนี่เพราะพระตเจ้าก่อนได้จะได้ตรัสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาพระองค์ก็บอกว่าเราสั่งสมบารมีมา นมนาะจึงได้ตัดสู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมปธิทยาคือสังสมมาเรื่อยๆแค่ น, นี้คือหลักของพุทธศาสน า, ษาอันนี้เขาขอให้คณะสัตยา ญ, ญาติโยมทุกๆท่านศึกษาเรื่องพุทธศาสนาอย่าไปมองข้ามทางว่าเรามองข้ามแล้วเราจะไม่เห็นคุณค่า เ, เหมือนกับเพชรนินจินดามีคุณค่าก็จริงอยู่แต่เราไม่ได้สนใจว่าเออ ไม่ได้ดูไม่ได้สนใจเพชรนินกินดานนี้ยก็ไม่ไม่มีคุณค่าจริงยุคสมัยนี้โลกยินส่งเสริมกันทางด้านวัตถุมากถ้าว่าประเทศชาติไทยของเรามีของดีก็จริงอยู่แต่นำไปใช้นำไปประกาศแล้วนำไปแนะนำสั่งสอนให้ชนชาติอื่นที่เขาเจริญกว่าเรา เ, เหมือนกับพวกกะเลียง ได้เพชรนินจินดา ม, มาขายในกรุงเทพอย่างนั้นอ่ะอพอถึงถือถือมาพวกกรุงเทพก็จะบอกมันของจริงหรือเปล่าอ่ะหรือมันก้อนกี่เห็นวะ่ะใกล้เข้ามามันดูถูกคนที่ถือมาถ้าหากว่าพวกเราวิเคราะห์ดูให้ดีแล้วอ่ะเออดูซิว่ามันเป็นของจริงและเป็นของแท้ไหมถึงเกลียงจะถือมาก็เถอะแต่ว่าเราต้องพิสูจน์ดูให้ดี แล้วเราก็จะเห็นคุณค่าเอออันนี้ถึงกระเหลี่ยงจะถือมาก็จริงอยู่แต่ว่ามันเป็นเพชรนินจินดาจริงๆนี่อันนี้ก็อยากจะให้พวกเรา ท, ทุกท่านวิเคราะห์เรื่องของพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ปู่ย่าตายายของพวกเราถือมาตั้งแต่ดึกดําบัรดานี้มาพูดเกี่ยวกับหลักทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ามีหลายระดับเหมือนห้างสรพรพสินค้าหลักของพุทธศาสนาพระไตรปิฎก ท่านจะสอนคนเป็นระดับระดับระดับเนี่าสำหรับคราวาสญาติโยมทั่วๆไปในพระไตรปิฎกท่านก็บอกว่าการเป็นอยู่ของพวกเราพุทธบริษัททั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายเป็นคราวาสญาติโยมทั่วๆไปให้มีที่ยึดให้มีเครื่องยึดเหนียวทางด้านจิตใจให้เคารพขรวะให้รู้จักสูงให้รู้จักต่า ให้รู้จักสิ่งควรไม่ควรสมัยหนึ่งพระพุทธองค์จเจดจประทับอยู่ที่กรุงราชจะคื อ, อท่านมองเห็นคือสิงคารลมานพเป็นเด็กหนุ่มแต่เป็นผู้มีความจงรักภักดีเป็นความเชื่อมั่นคือเคารพในพระบิดาเคารพในบิดาของตัวเองที่สั่งที่สั่งสอนอสั่งสอนตัวเองเขคารพ อ, อย่างสุดซึ้ง เขาลบได้พ่อคือพ่อเนี่ยส่งไปเรียนเมืองตะกรรารชลาเมืองตะการชีลาทุกวันนี่กับเมืองทาริบันเนี่ยไอ้าวานะเมืองทาริบันในเมืองตกนะการชีลาเนี่ยเป็นเมืองที่กันดานเอ่อแต่ว่าในสมัยนั้นเขาแบบไอ้ที่เป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นอัจฉริยะที่มีความรู้ที่ยอดเยี่ยมเ่ยคือเกิดอยู่ในเมืองทาลิบันี่เมืองตะกาศิลาเมืองตะกรรารชลาอันนี้พ่อ เศรษฐีนี่ก็ส่งลูกชายไปเรียนเมืองตะกัชิลาพอไปเรียนตะกัชิลาจบได้วิชาความรู้มาแล้วก็กลับมากลับมามาเห็นพ่อพ่อป่วยหนะักพ่อก็เรียกเข้ามาในห้องลูกๆเข้ามานาะสิพ่อลูกเข้าไปก็จับมือลูกลูกเอ้ยพ่อไม่มีอะไรที่จะสั่งนะนะเพ่อมีเวลาน้อยต่อเกินพ่อนี่คงจะไม่นานแล้วแอบขอให้ลูกเขารบทิศ ท, ทั้งหกนะลูกนะคารวะทิศ ท, ทั้งหก ถ้าลูกจะเจริญรุ่งเรืองต่อไปภายภาคหน้าให้ลูกเคารพคาระวะทิศทั้งหให้จงรักภักดีต่อทิศทั้งหกนะลูกนะพอพ่อสั่งท่านนั้นพ่อก็เลยใจขาดก็เลยตายในเมื่อตายแต่และท่านีก็จัดงานศพพ่อพอจัดงานศพพ่อเสร็จแล้วก็สิงคาและมานบเลยปะโอ้โหพ่อนี่จับมือสั่งเสียเราอย่างสุดจริงว่าให้เคารพคาระวะทิศทั้งหกนะลูกนะแต่เนี้ลูกชายก็เลย จะทำยังไงทิศทั้งหนั่นคืออะไรจากนั้นก็พอจัดงานเสร like ็จเรียบร้อยแล้วก็ทิศทั้งหก็คือออกไปอยู่ชายทุ่งตอนเช้าแล้วก็ยกมือไหว้ทิศตะวันออกทิศตั้งหยกมือไหว้ทิศทางทิศตะวันออกยกมือไหว้ทิศตะวันตกยกมือไหว้เทียงทิศเหนือยกมือไหว้ทางทิศใต้ยกมือไหว้ทิศเบื้องบนยกยกมือไหว้ทางทิศล่าง แปลว่าหกพอดีทิศทางหกเนี่ยเขาทำอย่างนั้นไม่ได้ขาดเพราะบิดาสั่งให้คารวะถ้าลูกอยากจะเจริญในหน้าที่การงานในการเป็นอยู่บริหารจัดการในการเป็นอยู่ของโลกนะให้คารวะทิศ ท, ทั้งหก<ม>เขาอะไรปฏิบัติอย่างแข่งขัดต่อมาพระองค์อยู่ที่วัดป่าเวลุวัน ไอ้พระองค์นั่งสมาธิคือพุทธกิจของพระพุทธเจ้าพอจวนจะสว่างพระพุทธเจ้าจะนั่งสมาธิมองดูสัตวโลกมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายว่าผู้ใดจะเข้ามาในเครือข่ายของพระองค์จะได้ไปปลดตอนนี้ท่านก็เห็นสิงค์าลมานบเนี่ยเข้ามาในข่ายคือพยานของพระองค์เออสิงค์าลมานบเนี่ยเ อ, อเขาเคารพเป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อ แต่เขาทําอย่างนั้นเขาทาไม่ถูกเขาไม่รู้จักวัชทิศทั้งหกนั่นคืออะไรเราควรจะไปไปปลดเขาในวันนี้จากนั้นพอสว่างสิงคหลามานก่อออกมาแต่เช้ามืดเอไม่ว่าฝนตกไม่ว่าหนาวไม่ไม่ว่าร้อนอวันนั้นก็คงเป็นฤดูหนาวผมยังชุ่มด้วยชุ่มด้วยน้าค้างพอมาแต่เกิดเขาก็ยกมือไหวตะวันออกตะวันตก ตามที่เขามีความเชื่ออย่างนั้นองคธาว่าสิงคารมานกเธอทําอะไรสิงคารมานกฆ่าพระองค์ไหวทิศทั้งหกพระเจ้าค่ะทําไมใครสอนบิดาก่อนที่บิดาจะจากไปบิดาได้สอนบอกกับผมอย่างนี้ให้ถ้าลูกจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการบริหารจัดการให้ลูกขอลบทิศทั้งหกนะลูกนะจะเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงาน พระองบอกว่าสิงคารมานุตามได้จริงปราดทั้งหลายเขาจะไม่ได้สอนกันอย่างนี้นะเขาลบทิศทั้งหกอย่างนี้เขาจะไม่เขาจะไม่พูดไม่ไม่สอนกันอย่างนี้ไม่อย่างที่เธอทำเธออยากจะรู้ไหมว่าทิศทั้งหกที่ปราดทั้งหลายเคยสอนกันมานั้นเขาทำเขาสอนกันอย่างไรสิงคารมานุอยากจะรู้พระเจ้าข่าเออเอาตังใจฟังพระองค์บอกว่าทิศทั้งหก ที่นักปลาดเท่าสอนไว้นั่นคือเทศเบื้องหน้าเทศเบื้องหน้ามารดาบิดาบุทควรจะทำตันอย่างไรเคารพนับถืออย่างไรกับมารดาบิดาเทศเบื้องหลังสามีภรรยาเทศเบื้องขวาครูบาอาจารย์เทศเบื้องซ้ายมิตรสหายเทศเบื้องต่ําคนงานคนรับใช้บริวาร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 ทิศเบื้องหน้าคือมารดาปิดาบุตรต้องปฏิบัติตนอย่างนี้เมื่อท่านเลี้ยงดูเรามาแล้วเลี้ยงท่านต่อทำกิจธุระของท่านดำรงวงศุลประพฤติตนให้สงควรควรรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศสวนกุศลให้ท่านอันนี้คือบุตรที่ดาควรปฏิบัติถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้จเจริญและกับสามีภรรยา ที่เป็นคู่ครองก็รู้จักเขารู้จักเราให้รู้จักสิทธิ์ของเขาสิทธิ์ของเราให้เคารพกันในสามีภรรยาถ้าว่าคู่ใดสามีภรรยาคู่ใดรู้จักเขารู้จักเรารู้จักสิทธิ์ของเขาของเราสามีภรรยาคู่นั้นก็จะร่มเย็นเป็นสุขเทศเบืงขวาอาจารย์คนเราจะเฉลียวฉลาดขึ้นมาได้ต้องได้เรียนรู้ ในวิชาความรู้ต่างๆก็ต้องศึกษาตามที่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนอันนี้ก็เราก็ควรจะให้ความครบในครูบาอาจารย์ประเทศเบื้องซ้ายมิตรสหายคนเราเกิดมาต้องมีหมู่มีเพื่อนถ้ามีแต่ตัวคนเดียวจะทํากิจการงานอะไรจะไปได้อย่างไรถ้าไม่มีหมู่มีเพื่อนที่ดีไม่มีกระยาดิมิดที่ดีต้องมีกระยาดิมิดที่ดี และก็ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกัญยาณมิตรนั้นอย่าเอารัดอย่าเอาเปรียบเขาอย่าไปคดไปโกงเขาในหมู่พวกเพื่อนให้ซื่อสัตย์สุจริตในหมู่ในเพื่อนอันนี้ก็คือกัญยาณมิตรคือทิศเบื้องซ้ายมิตรทิศเบื้องต่ำคือคนคนงานคนรับใช้ถ้าเราไม่ทําเอารัดเอาเปรียบคนงานของเราเกินไปคนงานของเราจะมีความจงรักภักดีจะซื่อสัตย์สุจริต ต่อบริษัททางร้าน ต, ตัวของเราได้ยังไงต่อเจ้านายได้อย่างไรอันนี้เราก็ต้องปฏิบัติตนให้ถูกอันนี้คือทิศเบื้องต่ำเบ่าวทิศเบื้องบนสัมณพราหมณ์เราก็ต้องเชื่อฟังค่อยๆทําของท่านที่ท่านแนะนําสั่งสอนอย่างไรที่เป็นศีกเป็นธรรมเราก็นํามาคิดการกรองไต่ตองด้วยเหตุและผลที่ท่านแนะนําสั่งสอนอันนี้ผิดอันนี้ถูกอันนี้ควรเป็นควร น, นะพวกเราควจะต้องฟังอันนี้คือสัมณพราหมณ์เป็นผู้แนะนําสั่งสอน ถ้าหากว่าท่านปฏิบัติตนได้เคารพทิศทั้ง6อย่างนี้แล้วมีแต่ความเจริญไม่มีความว่าหายนะคือความจิบหายมีแต่ความเจริญ้วยส่วนเดียวอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าท่านสอนสอนสำหรับฆราวาสญาติโยมทั่วไปแต่ถ้าพวกเรานำมาพิจารณานำมากันกรองไต่ตรองเหตุและผลแล้วตรงพ่อทำคาสอนของพระพุทธเจ้ามีเหตุมีผลมีหลักเหตุผลอยู่ในนั้นเสร็จ อย่างคราวา ด, วด์เราก็ดีท่านสอนเป็นมีหลายระดับสอนให้พวกเราต้องให้ทานนะให้ทานนะรักษาศีลนะภาวนานะทำสมาธินะสมมาิว่าถ้าหวาดัดเราในหลักของของถ้าบคคนเราเราคิดแบบทั่วทั่วไปเอ๊ะทำไมเราหาทรัพย์สมบัติมาได้ด้วยความยากลำบากเราทำไมจึงเสียสละให้แบบโง่ๆเพราะเราได้เงินมาแล้ว เราก็หามาด้วยความยากลำบากเราจึงไปทำไมจึงไปเสียสาระให้แก่คนอันนี้ทาเราคิดอีกแบบหนึ่งแปลว่าเราเสียเปรียกแต่เพราะพุทธเจ้ า, าทําไมสอนให้เสียเปรียกพอดถ้าถ้าวันหลักของรรพุทศาสนาพพุทธเจ้าบอกว่าถ้าผู้ใดก็ตามถ้าได้เงินคําทรัพย์สมบัติมาแล้วไม่รู้จักแบ่งจะไม่มีหมูมีเพื่อนจะไม่มีพักมีพวกพราะต่างคนกระตางที้ตนีทีเหนียวด้วยกันเพราะในสุดอยู่ด้วยกันไม่ได้ ชุมชนและสังคมนั้นต้องแตก ก, แ ก, ก, ก, ก, ก, กันพ่อแม่ก็อยู่กับลูกไม่ได้ลูกก็อยู่กับพ่อกับแม่ไม่ได้ถูกน้องเจ้านายอยู่ด้วยกันไม่ได้ทั้งถ้าไม่ไม่มีน้ำใจไม่มีการเสียสละเพราะนั้นเรื่องทานคือการเสียสละทานคืออมิชธานวิทยาทานธรรมทานมีหลายหลายอย่างอภัยทานอภัยทานก็ใช่ ถ้าเขามาหล่วงล้ำเราล่วงเกิดเราเราก็ยินดีให้อภั ย, ลภย เ, เล้ยว่อภัยฐานเรียกว่าอามิษสทานก็ให้อามิษฐหรือวิทยาทานเรือกให้ความรู้ธรรมทานเพื่อให้ธรรมะเป็นทานถ้าคนมีน้ำใจต่อกัดเพื่อนมนุษย์อยู่ด้วยกันก็ร่มเย็นเป็นสุขเพราะมีน้ำใจมีเมตตามีทานะมีการเสียสละต่อกัน อันนี้ศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคนเราให้มีกฎให้มีระเบียบให้มีกติกาการอยู่ด้วยกันถ้าคนไม่มีกฎไม่มีกติกาอยู่ด้วยกันเน่ต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างใครอยากจะทำอะไรก็ทำอย่างนี้มีแต่ความเดือดร้อนวุ่นวายอย่างประเทศไทยของเราทุกวันนี้ที่ผ่านๆมาเนี่ยสรุปแล้วก er ็คือขาดกกฎกติกาขา ด, ก, ขาดการเป็นอยู่เนี่ยเราหลวงพ่อว่าประเทศชาติชาติไทยของเราเนี่ย ถ้าหากว่าอยากจะให้ร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยหลวงพ่อว่าคนในชาติต้องบังคับใช้กฎหมายเอาก ฎ, กฎกติกาเข้ามาแต่จะว่าไปกด บ, บังคับแต่เพาคือคนอยู่ด้วยกันถ้าไม่มีกฎกติกาก็จะหาความสงบร่มเย็นเป็นสุขไม่ได้ถ้าพระอยู่ด้วยกันก็เหมือนกันพระไม่มีสินก็ญย์ด้วยกันไม่ได้อีกเหมือนกันพระต้องผู้มีศินที่น้องประชาชนก็เหมือนกันก็ต้องอยู่ในกฎหมาย อย่างหลวงพ่ออยู่ในชนนบดออยู่ในชนนบดก็ว่าบ้านนิยมคือบ้านนิยมคือบ้านนี้บ้านนี้มันเป็นหมู่บ้านเพราะในสุดก็ถามตามไม่จิงมันกระเด็กก็อยู่ยกันพราะในสุดเด็ดบ้านนี้เป็นอยู่บ้านนี้เลยตีกันเอมันไม่ใช่ธรรมดาที่แรกก็ตีกันด้วยเอกำปั้นด้วยอะไรธรรมดาเพราะในสุดใช้ค้อนใช้ไม้เพราะใสุดเปินพ่อมีเลยมายิงกัน เออผลในสุดใครอยู่บ้านใครบ้านเราอันนี้ว่าบ้านนิยมเลยเอ่อออกไปหาหากันไม่ได้ทีนี้เขาก็หลวงพ่อวะตำรวจเขาก็บอกว่ายังทำยังไงหลวงพ่อหลว ง, งพ่อมันต้องใช้กฎถ้าไม่ใช้อย่างนี้มันไม่ได้นะต้อ ง, องใช้ต้องใช้กฎในหมู่บ้านเอาให้ตํารวจเนายอําเภอไปเรียกผู้ใหญ่บ้านกำนันแต่ละหมู่บ้านมา มาไปชุมกันบอกว่านี่นะถ้าเด็กตีกันเนี่ยแปลว่าตำรวจต้องจับตามกฎหมายนะห้ามห้ามมาขอกันห้ามผู้ใหญ่มาขอตีกันแล้วก็มาขอโอยจะไปจับเถอะเออพ่อลูกหลานของผมเองแหมอย่างเนี้ยห้ามมาขอคือต้องใช้กฎผิดก็ต้องว่าตามผิดถ้าไปอย่างงั้นมันระงับไม่อยูนนนอย่นะแต่นี่เขาก็เรียกผู้ใหญ่บ้านกำนันมาพร้อมกันเลยกันนี่นะ เห็นด้วยไหมผู้ใหญ่บ้านกำลังกับแค่ว่าพอแรงเหมืันการลูกหลานตีกันไปบ้านนี้ตีบ้านนะมันไม่ใช่ตีบางทีก็ตายก็มีเธเนี่เด็กฮะเออเพราะทงสุดก็ลงกันลงก็ยอมรับกันเ้าถ้ามันตีกันเอาเลยเธนี่แต่ทีพอมันตีกันมาตำรวจก็จับจับก็ส่งจับก็ส่เพราะนั้นสุดมันเกิดเพราะเอาเด็กเข้าอยู่ในกฎและเบียบเอาหมู่บ้านเขาอยู่ในเบียบ ตะกอหน้านี้มันเอาไม่ลงเพราะว่ามันตีกันแล้วกับผู้ใหญ่ไปขอขอกันเมื่อกัอเรื่องราวนี่แหละลงพ่อว่าเมืองไทยของเรามันอยู่ทุกวันนี้ที่มันมีปัญหาทุกวันนี้ก็เนี่ยมันก่อขึ้นมาจากว่าหมู่บ้านนิยมต่อมาอำเภอนิยมจังหวัดนิยมภาคนิยมชาตินิยมอันนี้มันโดเดี่ยเดี่ยวนี่มันมันจากว่าภาคนิยม อันนี้หลวงพ่อไม่อยากจะพูดถึงจุดนี้แต่ว่ามันมาถึงมันจะต้องได้พูดกันว่าภาคนิยมทำไมภาคนิยมจะเกิดมาขึ้นมาได้ลงพวกเราคงจะจาได้สมัยก่อนหน้านี้หนอะยเอา้าภาคใต้ยกทีมภาคกลางยกทีมอันนี้ก็คือประเด็นแกุญแจแรกต่อมาก็เนี่ยอีสานภาคเหนือยกทีมบัณ แล้วมันเป็นยังไงอันนี้สิ่งเหล่านี้พวกเราพบหลวงพ่อว่ามันยกทีมไม่ได้คือประเทศชาติมีอะไรมันต้องพูดกันตามตามเนื้อหาสาระมันต้องพูดกันตรงๆงจะไปพูดแบบยกทีมอย่างนี้หลวงพ่อว่ายุ่งเหยิงวุ่นวายแน่นอนไม่มีที่สิ้นสุดนี้ก็ขอฝากไว้กับอุตสาหากรรมสภาอุตสาหกรรมพวกเราทุกทุกท่านและก็พร้อมกันหลวงพ่ออยากจะเน้นหนัก เรื่องสภาอุตสาหากรรมเนี่ยหลวงพ่อว่าประเทศไทยของเราเนี่ยน่าจะเน้นเรื่องอาหารเพราะอีกไม่นานประเทศไทยของเราเนี่ยจะเข้า ส, สู่ประชาคมอาเซียนอยู่แล้วถ้าหาว่าพวกเรายังสมาคมอุตสาหากรรมของเราเอ่ยยังไม่เข้มแข็งยังต้มเตี้ยมอยู่เอ่ยพวกเราจะทํามันจำบัหลังแข่งกับ พ่มาแข่งกับเราแข่งกับเขมรแข่งกับโยนอยู่เนี่ยหลวงพ่อว่าละเหนื่อยพวกเราควรจะถีบเป็นอุตสาหากรรมเป็นโรงงานขึ้นมาว่าเราควรจะรับจากอาเซียนมามาเป็นอุตสาหากรรมเพราะเราได้พัฒนามาก่อนก่อนเขาแล้วอ ย, อย่างมันจาปังหลังเราจะทำอาหารอย่างไรเราจะจัดการยังไงกล้วยเราจะจัดการยังไง เออทัวต่างๆเราจะจัดการยังไงข้าวเราจะจัดการยังไงเอไม่ใช่ว่าเราจะปลูกข้าวแข่งกับพม่าอยู่ตลอดไปหลวงพ่อว่าปแปแสดงว่าประเทศของเราเนี่ยไม่พัฒนาทั้งที่เป็นเป็นผู้ใหญ่เกิดก่อนเขาเนี่หลวงพ่อไปพูดเกี่ยวกับโรงเรียนก็เหมือนกันที่โรงเรียนที่อุดรเนนะ่ะหลวงพ่อว่าขอฝากไว้กับครูบาอาจารย์ทุกๆท่านนะ อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยประเทศไทยจะเข้าปร ะ, ประชาคมอาเซียนแล้วถ้าหากว่าประเทศชาติเข้าสู่สมาคมอาเซียนเนี่ยอแล้วประเทศไทยเดินตามหลังเขาเดินตามหลังประเทศอื่นเขาขายหน้าอย่างจุดๆนะลูกหลานนะลุงพ่ออยู่ในป่าดงฟงไฟลุงพ่อก็ขายหน้าอยู่เหมือนกันเพราะเหตุอะไรเพราะชาติไทยของเราไม่ได้เป็น เมืองขึ้นของเขาชาติไทยของเราเป็นเอกราชมาตั้งแต่รัช ก, กาลที่หท่านเอายกรักษาประเทศชาติมาพลจากปากเหี่ยวปากกามไม่เป็นเมืองขึ้นของประเทศชาติอื่นเขาชาติอื่นของเขาเขาเป็นเมืองขึ้นทั้งหมดที่ลอบเมืองรอบบ้านของเราคิดดูซิประเทศไหนที่ไม่เป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นมีแต่ชาติไทยเท่านั้นยังโดดเด่นแตน่พอมาถึง ประชาคมอาเซียนแล้วพวกเราชาติไทยของเราเดินตามหลังเขาขายหน้านะ่ะสิ่งเหล่านี้มันต้องคิดเราจะทํำยังไงจึงจะให้ชาติของเราเด่นขึ้นกว่าเขาอันนี้ก็ขอฝากไว้ไกับทุกสมาคมเออหลวงพ่อเองหลวงพ่อเป็นพระหลวงพ่อก็พยายามจะให้ถึงจะอยู่ในป่าดงพงไฟหลวงพ่อก็จะพยายามให้เอสอนธรรมะหรือว่าสอนแนวความคิดให้แก่พี่น้องประชาชนเออ ให้ล้าล่าเออเพราะเราเป็นเป็นชาวพุทธเนี่ยนี่แหละอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเออหลวงพ่อว่าถ้าพอพวกเราได้ช่วยๆกันคิดช่วยๆกันปรับปรุงสิ่งเหล่านี้แหละหลวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมืองของเราใครจะอยู่ในสถานที่ใดกลุ่มใดเรื่องทะเลาะบอกแวงกันเนะี่ยไม่น่าจะมี การทะเลาะเบาแวงกัน่ะมันเหมือนกับเด็กสิ่งไหนผิดสิ่งไหนถูกเราก็รู้แก่ใจว่ามันไหนมันผิดอันไหนมันถูกหลวงพ่อบอกว่านี่นะประเทศไทยของเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ดูซิปรญาตรีโทเอกเน่มีกี่คนปรญาตรีเกือบจะว่าชี้ไม่ผิดเลยเกือบทุกคนปรญาโทเป็นญาเอกส่งไปเรียนหนังสือต่างประเทศเท่าไหร่กลับมาแล้วทำใหม พวกเราจึงไม่รู้ผิดไม่รู้ถูกสิ่งควรไม่ควรเออย่างที่หลวงพ่อพูดอยู่ในป่าดงพงไฟหลงบอกว่านนะี้นะเอพอปรับปรับขึ้นมาก็มองเห็นเงินกองทุนที่ปู่ย่าตายายของเราเก็บเอาไว้ทําไมไม่คิดเข้ามาแล้วไม่คิดทําไมไม่คิดตัไมไม้งตตั้งต้ น, ตตนแล้วก็หาเงินเออหาเงินเข้ามาประเทศชาติ ถ้าว่าใครก็ตามถ้าปุบปับเข้ามาแล้วเออเข้ามาแล้วมีแต่มองซ้ายมองขวาแล้วก็ไปเอาโฉนดพ่อไปขายแล้วก็เอาเงินธนาคารที่พ่อฝากเอาไว้เอามาแจกกันให้หลวงพ่ออินก็เป็นก็ได้หลวงพ่อว่าดเอ่อให้หลวงพ่ออินเป็นก็กได้ปุบปับมาขายเลยประเทศไทยเอ่อเอาให้รวยเลย แต่มันถูกต้องไหมมันไม่ถูกต้องเมื่อเข้ามาแล้วก็ต้องพวกเรามอบความไว้วางใจให้แก่พวกท่านทั้งหลายจะทํายังไงประเทศชาติจึงจะร่ํารวยจึงจะเอาตัวรอดได้จะทํายังไงจึงจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดถูกต้องที่สุดเป็นธรรมที่สุดบริหารจัดการให้ราบรื่นที่สุดประเทศจะร่ํารวยที่สุดขึ้นมาให้เป็นคู่แข่งกับอารยประเทศเข า, เาไม่ใช่เข้ามาแล้วก็ งอกงอกแก้แก้มาถกมาเถียงกันผลที่สุดก็เนยมองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังไม่เห็นก็เอาเงินพ่อเงินครังของพ่อออกมาเอาโฉนดของพ่อออกมาขายหลวงพ่ อ, อ, อไม่อาจจะถูกนะอันนี้เป็นความคิดของพระป่านะกอฝากไว้กับลูกกับหลานทุกๆคนเอ่อันนี้เป็นเป็นเหลวงพ่อได้ปลูกหลวงพ่อคิดเนี่ยเพราะท่านขอให้พวกเราทุกๆุกท่านเรื่องหลักของพุทธศาสนากันนะเรื่องศีลเรื่องธรรม หลักของพุทธศาสนาพุทธเย้าสอนหรือครูบาอาจารย์ที่อยู่ในป่าโรงโพกไพน์นี่ท่านบอกว่าเรื่องใจใจเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างที่หลวงพ่อได้พูดเบื้องต้นว่าร่างกายเหมือนกับรถใจเหมือนกับคนขับรถเพราะพุทธเจ้าท่านให้ความสำคัญเรื่องคนขับรถมากกว่ารถท่านให้ว่ามาโนปุพังธ า, ามาธามามโนเศรษฐามาโนมายา เรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจแต่ว่าใจคำนีนะ้มันมองไม่เห็นมันเป็นนามธรรมแต่พระพุทธเจ้าท่านไปบาเพ็ญอยู่ในป่าท่านทดลองอยู่ถัง้งหกปีไปทดลองไปทรมานกายอดภักายอาหารถึงสี่สิบเก้าวันแล้วมันเป็นยังไงถ้าเราไ ด, ด้ดูในพุทธประวัติแล้วโอ้โหพระพุทธเจ้าไปฝึกขั ด, ดทรมาน อ, อ, อยู่ใน ป่าทั้งหกปีนั่นอ่ะสรุปแล้เลยคือพระพุทธเจ้าไปทดลองให้รถเนี่ยใช้น้ำมันน้อยเลยสิให้ไม่ให้กินน้ำาัเลยสิไม่ให้มีน้ำมันเลยสิทดลองทดลองลรถพอในจุดทดลองไปทดลองมามันไม่ใช่เรื่องของรถมันต้องเกี่ยวกับโซเฟอร์เียท่านมาดูโซเฟอร์เลยเออเนี่ยโซเฟอร์ในจุดนี้ะ เป็นเรื่องที่จําเป็นสําคัญเรื่องทั้งหลายไ ม, ม ไ, ม ไ, ม ไ, มไม่ใช่รถมันโซเฟอร์ต่างหากถ้าโซเฟอร์ไม่ดีซอย่างอาขับรถขึ้นไปไปเหยียบคู่คนไปชนคู่คนอแล้วก็ไปเห็นที่ไหนก็เปิดแก้ด่าด่าไปเลยเไปที่ไหนก็เปิดแก้เปิดแกงคือใช้คําพูดใช่ไหมนะไปเห็นที่ไหนกระดาด่าไปเลยอันนี้ก็คือแกล้งของรถใช่ไหมตัวของรถเนี่ยครับ ไปเท่านี้นก็นเนี่ยละ่ะเหยียบดะชนดะไม่รู้จักสิควรไม่ควรอันนี้ก็คืออะไรทำไมรถยังเป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าอะ่ะเพราะโซเฟอร์ท่า น, ท, านท่านก็นกนเลยมาดูโซเฟอร์อแต่ว่ารถคันนี้เนะี่ยเวลามันจะวิ่งไปไหนมันต้องมีเปลกมีคันเร่งมีพวงมาลัยคือกระนรู้ไหก็คื อ, คอโซเฟอร์ขึ้นไปขบับรถ และให้รู้จักที่ควรไม่ควรอย่างไรนี่แหละอันนี้ก็คือหลักของพระพุทธศาสนาอย่างนั้นพระองค์ก็ได้ดูกําหนดทําจิตใจยังไงพระองค์จึงจะจิตข อ, องพระองค์เข้าสู่ความสงบอะพระองค์บอกกําหนดให้นั่งภาวนาเพราะนั่งภาวนาจิตใจสงบรวมลงเป็นหนึ่งพอรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมลงแล้วเนี่ยจากนั้นพระองค์ก็ให้พิจนารณาถึง ทางด้านปัญญาเท่าั้นปัญญาคือวิปัสนาคือวิปัสนาปัญญาท่านให้พิจารณาอะไรในหลักของพุทธศาสนาท่านฝ่ายพระในท่านบอกให้ให้กรรมฐานห้าเกสาโลมาหน้าขาทันตาตะโจกเกษาคือให้พิจารณาผมโลมาคือพญานกให้ดูคนหน้าขาคือเล็บทันตาคือฟันตะโจคือหนังเอาแต บวชเข้ามาใหม่ให้กรรมฐานห้านี้เพียงพอต่อไปยังค่อยพิจารณาอีกนะทําไมพระพุทธองค์บอกเกสาผมผมมันอยู่ในยังไงขนมันเกิดมาอย่างไงเล็บมันอยู่ยังไงฟนันหนังมันอย่างไงเนื้อท่านให้มา เ, เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามห้อยใจตับพังผืดไตปวดไช่ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าอันนี้คือท่านให้พระพิจารณาด้ยวยความี่ปัตชนาะ ไม่เมื่อพิจารณาแยกส่วนแบน่งส่วนเอาถอนขนออกไว้กองหนึ่งเลบ็บถอนเล็บกอนฟันกองหนึ่งตลกหนังไปกองหนึ่งเนื้อกองหนึ่งเอ็นกองหนึ่งกระดูกกองหนึ่งตับปอดถามนะชืะ่อว่าอันนี้คือร่างกายของเราใช่ไหมมันก็ตอบว่าไม่ใช่มันมันแยกส่วนแบ่งส่วนแล้วแต่ถ้ามันรวมกันมันเป็นร่างกายของเราใช่ไหมใช่ร่างกายของเราถ้าแยกส่วนไปไม่ใช่อันนั้นคือตับอันนั้นคือปอดอันนั้นคือ อันนี้คือครับการพิจารณาในหลักของพุทธศาสนาคือคือพระท่านให้พิจารณาอย่างนี้อย่างพระปาอย่างหลวงพอ่อท่านให้พิจารณาอย่างนี้ให้พิจารณาแยกกายาให้แยกกายแต่ตอนี้แยกกายจุดท่านให้พิจารณาตัวใครเป็นคนแยกกายท่า <TH> นให้ย้อนมาหาตัวผู้รู้นั่นคือใจตัวที่ว่าคิดแยกกายเน่ยตัวนั้นแหละเข้ามาบอกว่าใจนะใจ น, รรนนะใจนามธรรมเนี่ยนะใจเนี่นะ ร่างกายในไม่ใช่ตัวตนของเรานะอีกสักวันหนึ่งนะจะต้องแตกจะต้องสลายจะต้องลงสู่ดินน้ําลมไฟจะต้องไปตามสภาพของมันนะร่างกายไนไหนมันไม่ใช่ของเรานะใจนะอย่าไปหลงร่างกายนะจะได้มาย้อนมาหาใจแทนใจผู้รู้นะตัวตัวผู้รู้นะเออพิจารณาตัวถึงตัวผู้รู้ใจอย่าไปหลงนะถ้าหากว่าไม่หลงกายจะไม่หลงอย่างอื่นนะถ้าทนากายของเราแท้ มันก็ยังจะต้องผูกเผาไฟทิ้งสักปันหนึ่งต่อไปยศถามบรรดาศักด์เงินคำทรัพย์สมบัติพี่น้องเพื่อนฝูงจะเป็นของเราได้อย่างไรขนาดร่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเรานะใจนะอย่าหลงนะตอนนี้เพื่อเมื่อพิจารณาถึงใจใจก็ไม่หลงแต่ว่าถึงจะไม่หลงจะไม่ทำจะจะทำไทรสิหรอนะไม่ใช่แต่ใกล้าวัชิเลสภายในใจของเราเลือกความพยองพองตัวของเรา เราจะรู้จักสถานะของตัวเองว่าเราควรจะปฏิบัติตนอย่างไรกับสิ่งเหล่านั้นเออแต่ที่เมื่อรู้จักการวางตัวอย่างนั้นจะพิจารณาถึงใจตัวผู้รู้นี่กันนะจะพิจารณาจะวางยังไงจะทํำยังไงจะปฏิบัติตนอย่างไรเออในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่มาเกี่ยวข้องจะรู้จักการวางตัวจากนั้นถ้าว่าอย่างพระสงฆ์นี่ท่านก็พิจารณาถึงใจนะคานา ต่างกายยังไม่ใช่ตัวตนของเราสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นเราได้อย่างไรจะเป็นของเราแจ้งไงนะใจนะตอนนี้นก็มาพิจนารณาถึงใจตัวพูรูจากนั้นใจตัวพูรูเนี่ยใจก็เหมือนกันนะ่ะไอ้ตัวรู้ๆอยู่เนี่ยมันก็เป็นอนไรจงังไม่เที่ยงเหมือนกันเดี๋ยกก็คิดดีเดียกก็คิดชั่วเดียกก็คิดโมโลโมโหโทโส โ, โกธะอันอยู่ในจิตใจนี่แหละใจตัวนี้กัสิ่งไหนไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งไหนเป็นทุกสิ่งนั้นไม่ใช่ตัวตนของเรา เป็นอนัตตาปฏิเสธกระทั่งใจไม่ให้ยึดมั่นถือมันกระทั่งใจปล่อยวางที่ใจดังนั้นเมื่อพวกเราก็คิดว่าเอในหลักของพุทธศาสนาปฏิเสธถึง ถ, ง, งถึงใจขนาดนั้นแล้วปล่อยวางทั้งใจขนาดนั้นแล้วเราจะได้อะไรมันปล่อยใครครอปฏิเสธถึงขนาดใจเอหลักของพุทธศาสนาทั้งหมดให้ปล่อยวางทั้งหมดสิ่งที่ได้เหมือนกับแต่ก่อนเราไม่รู้หนังสือ ก่ไก่ขอไข่ขอขวดคอควายแต่เมื่อเรารู้ก่ไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขึ้นมาแล้วนั่นแหละตัวไม่รู้มันหายไปไหนตัวไม่รู้นะมันหายไปไหนตัวรู้มันขึ้นมาคือมันมันมันคือมันรู้ตัวที่มันไม่รู้มันหายไปมันก็อยู่ในจุดเดียวกันตัวรู้กับตัวไม่รู้นี่แหละคือธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้ธรรมก็คือมาจุดที่ตัวตัวไม่รู้ คือรู้มันจะอยู่ในตัวอวิชชาเน่ยเมื่อมันรู้แล้วอวิชชามันก็ตกไปวิชชามันก็เกิดขึ้นมาในจุดนั้นนี่แหละอันนี้ก็คือเป็นธรรมะในหลักของพระพุทธศาสนาธรรมะที่ลึกซึ้งแต่ถึงยังไงพวกเราจะปฏิบัติไม่ได้ถึงขนาดนั้นก็ควรจะรู้เอาไว้ว่าหลักของพุทธศาสนาที่ท่านสอนไปแนวไหนในแถวแนวไหนเพื่อจะได้รู้แนวทางเอาไว้ต่อไปภายภาคหน้าก็เออพวกเราอยู่ควรจะปฏิบัติ ตนอย่างไรในหลักของพุทธศาสานาพุทธองค์สอนอย่างไรเน่ยคูจะรู้แนวทางแล้วก็มีอะไรที่หลวงพ่อพูดให้ฟังเป็นที่พอใจหรือเป็นที่เข้าใจหรือเปล่าก็ใหม่รู้อหลายรสหลายชาติวันนี้แล้วก็นนับว่าเป็นวันมงคลมหามงคลวันนี้ได้มาพบกับคณะจต่าญาติโยมลูกหลานทุกๆ ท, ท, ท่าน ที่มาร่วมในวันนี้ขอฝากไว้ขอฝากไว้กับพวกพวกเราทุกๆุกท่านจริงๆเน่เพราะอีกไม่นานพวกเราก็จะเข้าประชาคมอาเซียนไม่กี่วันข้างหน้าหลวงพ่อว่าประเทศชาติไทยของเราน่าจะถีบตัวให้เป็นพี่เบื่อมของเขาในท้องถิน่นไม่ว่าอุตสาหากรรมอาหารไม่ว่ายาไม่ว่าการแพทย์ไม่ว่า อุตสาหากรรมต่างๆ ท, ที่พวกเราอยู่ในสมาคมนี้ควรจะพัฒนาให้เป็นพี่เบิ่มของเขาถ้าพวกเราเดินตามหลังเขาไปหลวงพ่อว่าเสียเปรียบเขาอายเขาอีกต่างหากทั้งที่ชาติไทยของเราเป็นเอกราชมานมานานน่าจะเป็นผู้นำของกลุ่มประชาคมอาเซียนและก็พออกร้อมกันก็ นี่แหละคนในชาติหลวงพ่อว่าไม่มีอย่างอื่นต้องบังคับใช้กฎหมายให้เป็นกฎหมายถ้ามีกฎขึ้นมาแล้วจะประเทศชาติจะสงบอย่างบ้านนอกที่หลวงพ่อว่านะแ ต, ต่ก่อนก็เตะกันเตะกันมันใหญ่ขึ้นไปเรื่อยพราะในสุดมันลากคอนลากมีดไล่ฟันกันมันที่ไหนได้คนอยู่ในชุมชนเดียวกันมาทาได้ยังไงทาอย่างนั้นอันนี้ก็เหมือนกันในหลวงพ่อวานะ คนชาติไทยด้วยกันตรงพ่ออยู่ในป่าดงพงไพผมบอกตรงพ่ อ, อยังพูดหยุดนั้นนะ้อบอกโอ้ดูซิคนชาติไทยของเราหลวงพ่อวันนี้นะศรัทธาญาติโยมห ล, ลวงพ่อขึ้นไปเทศงานใหญ่ในงานศพที่หินมักเป็นของคนเป็นหมื่นนะหลวงพ่อพูดเลยนะ่ะฝลวงพ่อนี่นะหลวงพ่อวา่าเออถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่านะ ไปล้อมวัดหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินจะหัวเราะทั้งวันอย่างนี้ใช่ไหมมีคนมาล้อมหลวงพ่อกคงจะคิดหนักทุกอกทุกใจเหมือนกันเพราะคนมาล้อมบ้านมาล้อมวัดของตัวเองจะออกกำลังกายจะไปที่ไหนก็ลำบากคนมาล้อมบ้านแต่ี้ถ้าว่าใครก็ตามมาล้อมอําเภอบ้านผืออําเภอสีเชียงใหม่อําเภอท่าบ่อแทบเท็มพวกเราจะอยู่ในอำเภอพวกเราจะมีความรู้สึกอย่างไรในเขามาร้อมอําเภอของเรา เรือเขามาล้อมหมู่บ้านของเราเรามีความรู้สึกยังไงนี่แหละถ้าว่าพวกเราไปล้อมราชประสงค์พี่น้องราชประสงค์เขามีความรู้สึกอย่างไรเขาไม่เขาจะหาอยู่หากินก็ไม่ได้ที่จะหามาเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวเลี้ยงลูกสามีภรรยาของเขาเน่เขาจะหาได้ยังไงเพราะฉะนั้นขอให้ลูกหลานทุกทุกคนนะตรงพ่อพูดทางนี้ทางนั้นหลวงพ่อไม่ได้เข้าขัางนู้นไม่ได้เข้าขัางนี้บุคคล น, นั้นบุคคล น, นี้ ลองพ่อพูดเป็นกลางสรุปแล้วก็คือให้เอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาถ้าพวกเราคิดได้อย่างนี้นะี่ยจะทําอะไรออกไปเนี่ยลงพ่อว่ามันจะเป็นธรรมถ้าเราไม่พอใจถ้าเขามาทําให้กับเราอย่างนี้เราไม่พอใจถ้าเราไปทําให้กับเขาเขาก็ไม่พอใจแล้วเราจะไปทําให้เขาทําไมในเมื่อเขามาทําให้กับเราเราก็ไม่พอใจเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันและกัน นั่นแหละถ้าใครคิดได้อย่างนี้หลวงพ่อว่าคนในชาติจะร่มเย็นเป็นสุขอยู่ด้วยกันการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาอย่ติ